พระมาใหม่เหมือนกันไปเปลี่ยนกันออกไปทยอยกันออกไปมันแ น, น, น, น่นเต็มไปหมดยัวเยียรยัวเยียยัวเยียรมองไปไหนอมันจะตายแล้วเราอยู่เก่าแบบหนึง่งอยู่ใหม่ครับเป็นแบบหนึง่งคนละแบบละแบบก็มารบกันในวัดเนี้นนแหลกไป นี่รับมากมันเลอะเทอะไปเรื่อยนะรับมากเท่าไหร่ล้วก็พอสงสานนั้นแหละอาที่ที่รับมากขึ้นมากขึ้นมันจะก่อนมันจะเริ่มสร้างบ้านมาจนกระทั่งถึงเท่าไหร่เ้าร้ยี่สบไปด้วยก็แค่ที่แปดองมานั่นั่นก็นยังวามากอยู่แต่ก่อนนะนีจากนั้นมาอีกมันยิ่งมากถึงสามสิบสี่สิบเป็นไปเรื่อยเยแล้วผลวันที่ปรากฏ มันไม่สงกว่าสามสิบสี่สิบได้มากได้มากนะมันเหลวมากเหลวมากเหลวมากนี่สําคัญที่เหลวมากเหลวมากแล้วผู้ที่มาอยู่ที่นี่จะมาอาศัยเอาอำนาจของผมพเพื่อกดขีบข่บังคับหมู่บ้นนี้มันจะมีอยู่นัานในวัด น, นี้นะเราไม่ได้ไว้ใจพระเนี่ยมันธรรมดาเรื่องกิเลสมันต้องชอบอํานา จ, จเสมอแหละอำนาจป่าเถื่อนนัน่ไนไอ้ที่มันจะมา ยก็บย่าทำนายทําทั้งหลายของกันและกันให้แหลกเลี้ยวไปนะมันมีมันมีเราเคยผ่านเคยเห็นพบเคยเห็นมาแล้วเรื่องนี้มันทําไมจะไม่มีในว่าต่อวันตานี้เรานะค่อยแทรกค่อยแซงเข้ามันเคยสอนเคยบอกเพื่อนทเสมอในเรื่องของสิ่งที่เป็นก้าสิบต่อทำมันอยู่ในหัวใจมันขึ้นไม่ทันไม่ทันว่าไอ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 นันถึงทําให้เจ็บเอวหนะแล้วมันขึ้นบนหลังด้วยพ้วยเห็นนี้มันถึงเจ็บไปหมดทั้งหลังทั้งเอวแล้วเจ็บมากขึ้นโดยลำดับนะนอนนี่ลูกเวลาลุกขึ้นมานต้องไปตะเกียบตะการได้พยายามกว่าจะลุกได้ตอนเช้านะ่ะเป็นอย่างนั้นปีนี้หนักมากในท่าขันออนเป็นทีเจ็บนั้นปวดนี่ขัดนั่นขัดนี่ตามร่างกายไ ม, ม่สะดวกสบาย ตามแข้งขาก็ลุกนั่งนี่ลุกขึ้นมันจะก้าวไม่ออกจะล้มเส้ น, นเป็นประมาณนี้ก็เจ็ดกว่าแล้วนี่ว่า72นั่นใช่มันมาได้ถึง72็ดสิปีเอาขนาดนั้อี้มันจะปลูกตามลำพังในหัวใจเราเองโดยเราคนเดียวท่านนี้เราไปนานแล้วแหละเราไม่อยากดูจากแบบอยากถามมันอ่ท ะ, ท ะ, ท ะ, ทะัะถ่ายขันขันความ ก็ได้เห็นเรื่องของมันมาตั้งแต่วันเกิดอยู่แล้วเขายังไม่เห็นชัดออกปฏิบัติในที่มันมเห็นชัดก็อเอาทําไปวิจาร์กันตามความกลิ่นผู้ศิลป์คนนี้เป็นธรรมตั้งนั้นขอให้นำธรรมเข้ามาพิจารณากันเถอะมันก็เป็นธรรมเป็นธรรมเป็นธรรมธรรมามันจะไม่รู้เรื่องของธาตุของขันว่าเป็นยังไงต่อไปมันจะมาเพื่อนมาเพื่นกับมั น, นอยู่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 ศาสนาธรรมท่านสอนลงให้ให้เชื่อตัวเองให้ดูตัวเองเพื่อหวังพึ่งตนเองนั่นทั้งนี้อตตานิโนโนาถูให้พึ่งตัวเองทำท่านมอบความเป็นใหญ่ให้เราโดยอาศัยธรรมเป็นเครื่องมือทำเป็นแนวทางเป็นทางดาเนินให้ดาเนินตามนี้เดินตามนี้อย่าลีอย่าแวะนี้ดูเจ้าของกับทางดูเจ้าของกับแต่แฟนแผ่นผังคือศาสนาธรรม มันแยกกันตรงไหนแยกคือเรานั่นแหละแยกทำท่านไม่ได้แยกท่านตรงไปเลยสู่ความจริงทั้งนั้นตั้งแต่ต้นทางจนกระทั่งถึงตายทางกรงแนวกรงหนวกุ้งแนวสมกับคำวสวรรค์คดธรรมโสคดธรรมแต่ไม่ชอบไม่ชอบตั้งแต่ต้นจนกระทั่งถึงอวสานการทำเรื่องประสุดยอดของธรรมนี่ยเป็นแนวฝ่ายเหตุเป็นแนวทางที่วิสสาสนธรรมประกาศสอนให้รู้แนวทาง <c oughs> แล้วเอาแนวทางแห่งธรรมที่เราได้ศึกษาประลบมาทั้งเรียนตามตำลับตนาทั้งสดับรบได้ยินได้ฟังจากครูจับอาจารย์เอามาแนบสนิท ก, กับจิตใจของเราเนี่ยมันคิดแง่ใเนีน่ยได้ถูกอาจถูกทำหรือไม่นี่แหละเรียกว่าดูตัวเองเพื่อจะฝังพึ่งตนเองฝากเป็นฝักตายกับตัวเองด้วยอาศัยธรรมเป็นเครื่องนำเนินเป็นเครื่องมือ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 ให้เรแบกเราหามัมเราค้านมันได้เมื่อไหร่ไม่มีใครค้านกิเลสได้ล่ะอยู่แต่อำนาจทุงมันถ้า <c> ม <oughs> ันจับพระลโยนใส่หัวใจใส่หัวใจหัวใจหมดทั้งล่างทั้งใจนี่รับ <c oughs> <c oughs> ความทุกข์ความทรมานตลอดพบตลอดชาติการไในไหนไมาจนกรตั้งถึงบัดนี้จะมีอะไรหนักยิ่งกว่ากิเลสแล้วเวลาจะต่อสู้กับกิเลสทําไมถึงว่ามันหนักมันหนักอืมยังไม่ต่อสู้ก็แพ้แล้วแพ้แล้ ว, ลวจะทำยังไงกันเราจะหาความมิต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 มันก็พัจากการไปเดิมหนดับนี่ถ้าเรเทียบถึงสันติทโกก็สันติทิโกะยี่หาอประสาทเป็ตนต้นมันรับสัมผัสให้ทุกสิ่งรู้อย่างรู้ไปโดยลําดับลําดับจนกระทั่งถึงความอิ่มหนำลานานเพียงพอกับความต้องการเต็มที่แล้วนั้นก็หยุดเองไม่ต้องไปถามใครละยีมื่นกี่แสนลายปรตามถึงนั่งรับทานอยู่ร่วมกันการปฏิบัติธรรมจะไม่มีอะไรผิดกันกันกบที่ข้อเปรียบเทียบนี้เลยมีความเย็นก็โดยลําดับลำนา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 เท่าไรเฉพาะองค์ปัจจุบันนี้ก็สองพันน่ารกว่าปีมาแล้วได้ผลเป็นที่พอประทานแล้วจึงนำธรรมเหล่านี้มาสอนโลกเราต้องเร่งถึงครูสิจะไปเร่งถึงกิเลสอะไรกิเลสมันเป็นครูใครเมื่อไหร่มิเป็นข้าศึกสมันเหยียบย่ำทำลายหัวใจขอ ง, ของสารโลกคือใครถ้าไม่ใช่จึงกิเลสทำถ้ามาเหยียบย่ำใครนะมิจะส่งเสริมได้เดียวเอา น, นำมาที่เอา น, นำมาเป็นที่พึ่งเจ้าของสิให้เป็นที่อบอุน่ในใช้ในขณะที่มีสติอบอุน่นนะตั้งท่ากันอยู่นั่นแหละไม่มีภยัย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 ทางท่านมากโกทางคัตตะวะสุขังดีคัตตะวะคัตตวาคืออะไรคือค่าค่าฆ่า่ามันค่าด้วยความเจ็บแขนยีเหล็กเอาจนพินาศจิตหายไปโดยลำหนักลาดานมันเป็นที่แน่ใจเจ้าของแน่ใจเจ้าของวันหนึ่งให้อยู่ด้วยความแน่ใจเจ้าของติดอย่าอยู่ด้วยความเล้วไหลโรเล่วันนี้ก็โรเล่เลีวไหลแล้ววันหน้าเจ้าความเง่นหนามันกลุมาจากไหนวันนี้ตั้งมาได้ถ้าไม่สนใจจะตั้งเ๋ยวอะไรมาตั้งนี่ต้องตั้งสิ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 ขาดทุนตรงนี้ได้กําไรตรงนี้เหละมันไม่ได้ขาดทุนถ้ากํำไรอยู่กับมือกับแย่งนะดูตรงนี้นะความเคลื่อนไหวอยู่กับใจดูตรงนี้ดูไปดูไปดูไปมันก็ค่อยเห็นไปรู้ไปรู้ไปที่เหลืมันจะสร้างกําลังมาจากที่ไหนทําสร้างตัวอย่างอยู่ตลอดเวลาทําไมสร้างก็สร้า ง, างเพื่อทำลายกิเลสกิเลสมันจะสร้างสมตัวกับขึ้นมาจากไหนโดวยวิธีการอันไรวิธีการเหล่านี้ธรรมะธรรมาชาติแล้วนี่ไม่ใช่จะสังหากิเลสโดยสายเดียว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 เมันเหนือทุกสิ่งทุกอย่างแล้วก็จะไปพึ่งอะไรถ้าว่าหนึ่งแล้วก็เป็นหรือถ้ามันเสกสรรนี่มันเหนือหรือต่ํำมันเหนือหรือใต้อะไรตอนนั้นตกตอนนั้นออกมันไม่มีอันนี้เป็นเรื่องของสมมุติว่ากันไปมันยังอยู่ในสมมุติมันก็ต้องเอาสมมุติมาใช้กันมันถ่านสมุิไปแล้วเอาอะไรมาใช้มันคืนปีเดือนเรื่องการเกิดการตายควารตลาดภาคต่างๆภาคต่างๆครั้นเราก็เรียนอยู่แล้วอืม การปฏิบัติตรรมฐานไม่เรียนสิ่งนี้ไม่ปฏิบัติต่อสิ่งนี้ปฏิบัติต่ออะไรมันก็รู้ไปเดินแรื่องวจนกระทั่งถึงรู้รอบความคิดหมดแล้วสงสัยอะไรอีกมันจะตายมันโ UMB ้างนี้เฉยว่าตายตายมันอะไรตายมรู้กันอยู่แล้วรู้มันรอบไปแล้วสลับมันออกพาละพาลาเบียปัญจคันถ่านหรือความรับผิดชอบนี้ออกไปจากตัวมันจะเสียดายอะไรเสียดายฟุนเสียดายไฟเสียดายความรับผิดชอบ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 อาละทุกสิ่งทุกอย่างอ น, นาลาโยนี่ไม่ว่สุดท้ายมันก็เป็นอ น, นาลาโยปล่อยหมดเลยหาความอะไรไม่ได้แม้แต่ขันว่ามันเป็นสมมติด้วยกันทุกปีนี้มาแล้วมันอ่อนมากตากันมันลบปีกปิดตัวไปอยู่ที่ไหนที่นี่ไว้วัน น, ว น, น, นึ่งวันนึ่งนี่มาเริ่มตัวนี้แล้วนะแก่คน เต้องไปปัดเอาไว้ปัดเอาไว้โดยเวลามเวลาไม่คอยอยากจะเล่นด้วยอ่อมันหนักเรานี่นะอมันจะเปนหนักไข่หนักเราผู้ตอนรับเพราะ้เราจึงต้องให้การตอนรับในเวลาที่ควรให้ตอนนั้นไม่ใช่จะแบบพ่ดท่ำมเพื่อเพื่อใช่ไม่รู้จักเวลามเวลาเขาคีบหาแม่ปวงไปกี่เวลามันจะทนทานไปได้สักกี่วัน วันไหนก็เทศนไหนก็สอนก็ดูที่ย่างตอนเช้ามันหันยองมีเรื่องนั้นจะทําไงหากเด้พูดไม่มากก็น้อยอยู่นั้นแหละเพราน้นเวลานอกนั้นนอกจากนั้นไปล้วจะไม่ค่อยให้ยู่งให้มันไปอยู่ตามสะดวกสบายของเราอย่ก็เพื่อโลกนั่นแหละมันจะเพื่ออะไรอย่าเวลาอยู่มากๆนี้ความภาคความเพียรมีแต่ไม่ได้เรื่องนะมันจะเยอะหลายไปหมด เพะนี้ายอกันออกอยู่มากนะมันไม่ดีลหละมันเหลวไหลยัวเยยยัวเยย่ที่ไหนมีแต่พระจะเน้นเต็มบากเต็มมาเหมือนกับตลาดพระทำที่จะงอกเลยไม่มีการโกรกการถันการจัดนั้นจัดนี้มีมากเท่าไหร่ก็ยิ่งได้จัดนาน พอจะเสร็จนะโอ้โหเรานี่เองปูวดหลังปวดเดียวจนจะไม่ไห ว, วนะยังไม่ได้ฉันมันเป็นแล้วคนเด้เขาไปทำ ไ, ไมหรือว่าพอฉันแล้วลูกขึ้น ก, ก่อนพอจะลูกแรกก็ลูกไปัจจุบนนอกมันจําเป็นมันมีเครื่องปูเื่องมัดอยู่มันก็ต้องจําเป็นุูทายกันนั่นอยู่นั้นก่กอนแหละถ้าไม่พอถ้าพอไม่พอที่จะปีกต้นแรกก็ล้องปีไปช่วยระยะก่อนมันมีความจําเป็นที่จะพูดในเวลาต่อไปนะขนาดนั้นเดีดูสิ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 ได้เร็วแตนี่หมูขันไปแล้วแค่สิบนาทีก็ออกนะนี่แต่ก่อนสิบห้าสิบหกนาทีออกไปบ้านไปที่เขาท่านนั้ น, นแล้วก็สิบสารทุบสี่นาทีออกแล้วต่อมาย่นมาย่นมานหมูขั้นออกสิบนาทีออกไปก็พอดีนี่มันเป็นทังมันเองไปแล้วก็ไปแบบสบาลลยแนละ้วเพราะมันนิสัยอย่างนั้ น, นไปคนเดียว พิจารณามีเหตมีผลอะมันนักเป็นน้ำมันเองนะในจิตเนี่ยไม่ต้องบอกแหละมันเป็นอัตโนมัติที่เกิดผพิจารณาในทำเน่ได้ยอะไรเงี้ยอะไรเงีง้งงงงนนงมันเป็นน้ำมันไปเพราะั้นจึงไม่ต้องการความจุนจา้าเดินไปนี่สุดจัดสุดจัด เ, เต็มไปหมดทำไม่จําเป็นแล้วไม่อย่างนั้นเป็นการโขกการฉันก็ให้ดใหูให้มันทำมันสวยงาม อ่านฉันก็ดีดูหมู่ดูเพื่อนไม่ค่อยจะสวยงามนะถ้าไม่มีสติก็มันดูไม่น่าดูเลยคนมีสติต้องปัฏิสันมีมีความสําคัญในบากตาก็จ้องลงไปในบากไม่เธอไ ม, มอ่มองนู้นมองนี่ลักษณะเคี้ยวก็เธอลมือมองนั่นคือไม่มีสติขณะที่เคี้ยวมองดูกระโหลกฉันด้วยความมีสติมองไปมันก็งามตาเมองเอห็นรู้ใพครับไม่จําเป็นทีต้องมีญาณอะไรอย่างทราบละเอยียดอ่อนนักหนะ ด้วยความเผยรสติหรือด้วยความปล่อยตามเพลิงมิเลตมนั่นก็รู้นี่นนเคียเค้ยวๆไปนั้นตาเหมอมองไว้แบบไม่มีสติตะตังเลย น, นั่นดูไม่ได้นะเราเป็นลูกศิษยลัธาโคตยาขายครูยาขายศาสนาด้วยกิริยายอาการเหล่านี้ซึ่งไม่เป็นของยากอะไรหรือเพราะบืนได้แช่ การทํานั่นจะเป็นการทอดทุระไม่สนใจจริงๆก็เปรับว่าทุกคนมีบงอย่างการฉันท่านบอกในเสียี่วันขาดความตั้งใจขาดความมุ่งใจใส่อย่างเดียวก็ปรับแล้วมันเป็นของดีแล้วเหลือมันก็บอกว่าในบิณฑบาตหมอปัตตสังยีปัตตสังยีปิณฑบาตังก็บอกแล้วราอต้องการรับบาตก็ให้มีทําความย่าแั่ในบาตการฉันก็ย่ำแย่ในบาตเนี่ยปัตตสังยีจะหมายถึงอะไร มีจิตมีความสําคัญมีความรู้สุกอยู่ในบาตะไม่ไปรู้สึกกับสิ่งอื่นจริงใดขึ้นมาก็มหมายว like, ่ like. าอย่างนั้นเน้นกันหนเน้นกันมาประชาจนเน้นกันหนาเน้นกันมาทีนีいい้มันมันทําให้โลอยเลี้ยวไหลไปเรื่อยๆก็อย่างนี้เมื่อมันมากต่อมากแล้วมันก็ค่อยเลวไหลไปทีเรื่น้อยไปป้าเนียนอย่างนั้นขันมากข้าเข้ากันเข้าไปเลี้ยวไหลมันเพราะ่ายต่ํามันอานาจมันมากกว่า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 อยูเดียวกันนี้มันน่าจะได้ยินของพูดมนจากปากของกั้งหูของอยู่ใกล้ทำไมมันไม่ได้ยินไม่สนใจมาสะดุดจากเสียงจากของมันนี่อยู่กุฏินู่นเสียงมันสะดุดสะดุดสะดุดเราอยู่คนเดียวเรากุฏิไก่ไม่ก็ตินู่นกับปากกับหูของผู้พูดนะั่นทั้งครัวผู้อยู่ที่ลานี่ทั้งครัวนกับเราที่ฟังม น, น, นู่นฟังไม่ได้นะ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 เอาไหนนี่ที่ไม่ได้สนใจหาสติสตังไม่ได้จริงๆมันเสียตรงนี้เดี๋ยวนี้ทานยค ม, มันจะไม่ลบหมดเลยวหรปอในวันตาดเรามีแต่ผ้าขี้เกียจไม่ก้าวไม่เดินมันไม่เป็นอย่างนั้นหรือเวลาทานยค ม, มันจะไม่มีแเนียมันจะมีแต่ทางมอนทางเสือไปเัีย ทางยุคผมไม่มีะสิ่ในนั่นผมไม่ยียบวุ่นอะไรมากผมไม่เห็นอะไรเป็นของวิเศษวิโสยิ่งกว่าการฆ้ายีเดียนะมีจิตมันตัดเห่างนั้นตลอดตอะนั้นถึงได้ว่าหมู่พื้นเลยนี่เราไม่เห็นความวิเศษวิโสศักดิสิธิ์อะไรกับสิ่งเหล่านั้นเพราะนั้นโลกเขาก็ทําได้เราจะทำเฉพาะเวลาจําเป็นจริงถ้าทำเลื่อนเลื่อนน้อยก็นอนพอแต่ส่วนข้ายีเดียนี่เอามันไม่ถอยนั้นก็เคยเป็นมาอย่างนั้นอยู่แล้วนี่ ถือเป็นสาระสาคัญมากทีเดียวอะไรจะขาดตบกบกพรองเอาขาดไปบกพ้่องไปสิ่งนี้มันมีอยูย่ประจำโลกแต่เรื่องความเพียรเพื่อจะ้่าตุกิเลสนี้เอามาให้มันบกพร่องนี่ต้องปกกักจิตลงตรงนั้นเลยมันชินแบบหนึ่งเอาแบบหนึ่งต้องหา อ, อุบายสติปัญญาไม่งั้นไม่เหนือกิเลสแล้วสู้ไม่ได้มันเหี่ยวอยีกแหละการประกอบความเพียรก็ต้องได้ช่าง อ, อุบายต่างๆหลายแบบหลายสันหลายคมนะ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 วัดเต็มบาเต็ม้าคเต็มเหน่งมันใช่ได้ไหมเนีย่ยนี้จะหมดแล้วนะแต่เราไม่ตั้งหลักของเราเพื่อพึ่งตัวเองขึ้นมาตั้งแต่บัดนี้แล้วไม่ได้นะนทีไหนๆเขาเก็กความเที่ยวความลงสายต้อมาฐานสายหลวงปู่มั่นนะหลวงปู่มั่นตอนนี้ก็นอนหลับทับจิตอะไรนี่โออามันไม่รู้ตัวนะ มันได้เรื่องในราวอะไรเรื่องการก่อการสร้างเนี่ยมันสำคัญมากนะมันเป็นข้าสุกนี่มนไม่ทราบเป็นอะไรมันไม่ชินนะครับสิ่งนี้เพราะมันเคยทำทาลายความเปลี่ยนตัดทนอนความเปลี่ยนนั่นเราอย่างน้อยให้รลาช้ามากขว่านั้นก้าไม่ออกถ้าลงสิ่งนี้เขาไปกวนใจแล้วกล้าไม่ออกสิ่งก่อสร้าง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 มจนถึงขัน้นมันเรียนร่างไว้นึ่งทีมันถึงได้จเลยเห็นโทษของกิเลสอย่างชัดเจนถึงขั้นล่างอาไว้ล่างความเพียรแม้งรั้นมันจะเลยเถิดมันจะพิลึกเกินไปนั่นแหะเราจะไม่เห็นโทษของกิเลสชัดเจนมีความเกลียดข้านความอ่อนแอท้อแท้เรื่อยๆนันไม่มีเลยมันมีแต่ตะผึ่งผึ่งผึ่ ง, ถ, งถึงเวลานอนมันก็ไม่อยากนอนจังไง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 กีดมันหมุน ล, ลงไปนั่นหนูเหมันไม่ได้สนใจกับอะไรแล้ ว, ลวที่นี้ทำไมจะไม่เห็นตัวของกิเลสว่ามันมันเป็นตัวจับตัวจองตัวผูกตัวมัดเรามาสักเท่าไหร่ความกีดเกียวกีดข้างอ่อนแอทอดแฒ่าเรื่อยไหลอำนาจวาสน า, น, าน้อยมันหาเรื่องหาราวทุกเนี่ยตัวหูมีแต่กิเลสทนั้นมาถึงขั้นนั้นแล้วมันไม่มี อ, อะไรมามีท่งนจะว่าเพิินท่านจะว่าอุทจาร์อุท ธ, ธาร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 ในความเปียนของผู้บำเพ็ญธรรมในขั้นนั่นเองเพิ่นตลอดต้องในบังคับให้พักวิธี บ, งบังคับท่านก็สอนไว้วิธีให้พักท่านเทียบกับการเข้ารบการลบสงครามในหนังสือก็มีเวลาออกรบให้รบเวลาเข้าพักผลก็ให้พักถ้ามีแต่บชาเดียวก็ไม่ไหวใช่ไหมควรจะพักหนึ่งเดรับทาน พักหลับนอนก็ให้พักวานในหนังสือวิธีปฏิบัติเพราะยิดตาาับรามนาแต่สำหรับผู้ปฏิบัติเองเนมันมันจะคงจะคล้ายๆกันนั่นแหละผมเห็นโทษของผมเองเนียาทั้งๆอยู่ของกระเรียน ม, มาก็เห็นท่านท่านว่าอย่างนี้ท่านสอนวิธีสอน แบบวิธีการรบวิธีการต่อสู้วิเลตวิธีการประกอบความเพียนไว้ให้พอเหมาะพสมทัานก็บอกเวลาพักก็พักคือพักในสมาธิเอามาพักในเรือนสมาธิจากนั้นออ ก, ก, ก, ออกคือหมายต้องออกพิจารณาออกลบหนึ่งคือออกพิจารณาทางปัญญานั้นบอกไว้ชัดเจนนะในตําราของผู้ปฏิบัติจิตตภาวนาะแต่เวลามันเข้าไปลุมบอลกันแล้วมันใครจะไปไ ป, ไปนอนอยู่ในที่ลุมบอลวา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 มันแต่ก่อนมันถอยมีแต่ถอยหลังตอนพรงจีเดีย์ลากกับปืนที่นี้ทาลากกับข้างหน้ า, ท, าที่ไม่เห็นโทษของพระจีเดีสิ์บอกซนี้เป็นจีเดียั์ข้างหน้านะเพี้ยนเปลี่ยนไปลรเวลาอย่างนั้นอย่างนี้เช้าสายบายย่ายเย็นอะไํานาจโาสนาเนาะติปัญญาไม่มีออกความเพียนก็เกียดขี้ข้านทอดแอท้อ่อนแอสุดท้ายก็มรรคปุนิพพานไม่มีไปได้แล้ว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 มัดคอกิเลสลงไปมันพ <Kay. S 1> ังไว้ก <uteur> ินตับกิเลสอย่างนี้มันอร่อยยิ่งกว่าอะไรกินตับกิเลสมอนไม่กลายมากลายเป็นปุ๋ยได้นะมันทายิ่งงอกงามงอกเงินขึ้นไปกิเลสมันกลายเป็นหินแล้วปัญญาก็มาอีกนั่นเวลาปัญญาอพอตัวมันเป็นอย่างนั้นนะอะไรเลยเป็นปัญญาหมดเป็นธรรมหมดถ้าถึงขั้นเป็นธรรมทิคเป็นธรรมเป็นธรรมเป็นธรรมหมดเวลามันเป็นกิเลสอยู่นั้นอะไรมันเป็นกิเลสไปหมดไม่รู้ตัวนะมันละเอียดทุกคนระเบีบระเบบ แต่สุดท้ายก็ทำเป็นของเรียดเหนือกิเลสหมือนนั้นที่เรียกว่าโลกุตตระธรรมคือมันมเหนือเหนือโลกโลกก็คือกิเกลส <LO GO> มันแหละปวดเลยยังไงมึงไม่เป็นมึงก็ไม่นกิเลสมัดคอยมันนูะยู่กิเลสมมัดคอยอย่างนั้ น, ม, นมันมันละไม่ปล่อยไม่ขี้คลายเลยเหรอในของเราพูดให้ฟังฟังพูดก็พูดกิเลสมัดไว้ มถึงเมื่ออยู่ในระยะของมันมัดมันเป็นอย่างนั้นแต่ถึงระยะของมันที่จะวิ่งหาที่หลกที่ซ่อนแตกแม่แตกลูกบ้านแตกคาแขาดมันทั้งไหมอะถึงขัง้นมีมักเป็นนายจ้างนั่นแหละผู้ปฏิบัติคนนั้นแหละมันจะเห็นเองรู้เองอย่างที่ผมพูดเมื่อกี้นี้ผมตายไปแล้วก็ตามไปหน่ะขอให้มันเป็นขึ้นในจิตของท่านผู้ปฏิบัติทั้งหลายเถอะคําพูดที่ผมพูดนี่มานจะ ส, ะสดๆร้อนๆ น, นะตายตายไปแต่เดือนล่างอันนี้เนี่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 ว่ามันถึงขั้นทุกคนจะยอมรับมันรับเองแล้วมันเชื่อเองมันขั้นมันไม่เชื่อมันก็ไม่เชื่ออะไรมันจะดื้อด้านกูขกิเล็กมีหรอไมนมีอะไรดื้อด้านเหนือกี้เล็กก็ได้่ะขึ้นชื่อว่าอยู่ในสามแดนลกธาตุอันเป็นแดแานสมมุตินี้ประกาศสู่หลวงปู่คำดนะีมันกดคิศ ม, มันจะดุติสกูวาจานตีหมักที่ดองเลย อย่างมาก็มาสะท้นอนเข้ามาหาศพเรานี่แหลมาทุเลตแล้วยังไม่ตายนะผมทุเลตแล้วนะนีมม่สามารถจะไปทำอะไรอาสเดาอุศเอกพุทธทางสนางกระฉามนี่ก็มีอยู่แล้วพระเจ้าปณิพานธ์ในจิตวันเท่านั้นก็ตัวครเพิ่มเติแล้วที่งไหนนี่มีนจะเอาไว้อะไร แข่งครูแกงอาจารย์แก่งศาสนาปหาอะไรนี่คือทํามันโลกเันกเหยียบย่ำมันลายธรรมมันเป็นงั้นเอาตามความเห็นของโลกของสารหนึ่งมันก็เป็นโลกไปตลอดที่มันจะเป็นธรรมได้ไงเอาตามธรรมก็เอาให้หลว่หลวงปู่ที่ฟืนมีเอาไปเผาอยเพราเผาได้เงินได้ถองเมื่อไรเผาคนเผาพระเอาฟืนตรงนั่นเผาทานก็มาจากฟืนเนี่ย เอาไฟนะ่ขาก็ไม่เหงาเงินออทองไปเผานี่อะไรตกเบ็ดหาปลาอยู่นั้นตลอดเอาครูบาอาจารย์เป็นเบ็ดเป็นปลาล่อเป็นเป็นเบ็ดล่อปลาคือ เ, เงินโลกาหิตฮะทุเรกจริงนะอ้าวอันเป็นในงหัวใจมันเป็นสิ่งที่มันเป็นไปได้แล้ว ผม่ะตายคนเดียวผมนะแสนสบายเลยผมพูดยิ้มนีนะ่พูดเต็มหัวใจเปิดอกเลยผมไม่ได้เคยสนใจกับอะไรครับผมจะตายแบบไหนแบบไหนกับใครอยู่ที่ไรไรอยู่กับผมนี่เกี่ยวกับเรื่องบริษัทบริวาราพระเนมเถียงกีหรือประชาชนที่มานับถือมากน้อยผมไม่เคยมีแม้เม็ดทรายขอผมก็ไม่เคยปรากฏในหัวใจมผมเลยอย่างไรจะสะดวกในเ ว, ว, ว, วลาสุดท้ายของเราอะท่า น, นั้นเ อ, เอาลงตรงนั้นน่อยตายคนเดียวตายอย่างสบาย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 ขันพละฮเวมันมีตั้งแต่ต้นทั้งมีอุปทานไม่อุปทานนั่นก็เป็นพราฮาเวอย่างพระลานนั่นก็เป็นพลาฮาเวในขั้นรับผิดชอบเหมือนกันนะคนเราเป็พลาฮาเวทั้งความรับผิดชอบทั้งความยึดความถือความมุงใหยเสียดายความมุงความ ห, วห่ ว, ห ว, ว, หวท่านไม่มีแต่ความรับผิดชอบมีสัญชาตญาณความรับผิดชอบมันมีประจําอันนี้เหมือนเดินไปตามทางที่ พลาลื่นอย่างนี้จะยอมรม่มล่มง่ายๆหรือไม่ว่าปุถุชนไม่ว่าพระอรหันต์การช่วยตัวเองนั่นสังฆาฏิยานมันเป็นข้งมันเองนั้นน่ะจะพลิกตัวตันทีทันทีจนกระทั่งถึงว่ามันไม่ไหวแล้วมันถึงจะยอมลม่มถ้ามันถ้ามันยังจะพลิกตัวแก้ช่วยตัวเองได้อยู่แล้วจะไม่ยอมหกล้มกลบง่ายๆอันนี้คือสังฆาฏิยานจะเป็นเหมือนกันหมดครับทั้งพระอรหันต์ทั้งปุถุชนมีการสังฆาฏิยานที่รับผิดชอบตัวเอง ก็เป็นอย่างนั้นเดี๋ยวจะให้ยึดมั่นถือมั่นทันอันนั้นมันก็หมดปัญหาไปแล้วจพูดอะไรอะไรพาหยุดเนี่ยพรเมื่อกี้เลยมันสิ้นไปหมดแล้วจะเอะไรมาหยุดทำให้มันยุดมันก็ไม่ยุดจ่ว่างมันไม่มีสิ่งพาหยุดนี่แต่สัญชาติญาณธรรมชาตินี้มันมีตั้งใจไม่ตั้งใจมันก็เป็นทุเหมือนเดิมเสียดายไม่เสียดายมันก็เป็นเนี่ยที่มันมันเหมือนกันระหว่าง ผู้ช่วยเพระทหารมันเหมือนกันคือความรับผิดชอบตามธัญชาติพยางตัวเองแต่ละแต่ละขันละขันเหมือนกันเก้าเท้าลงไปนี่จะไปเหยียบแล้วมองไปนั่นรากไม้มันเหมือนตัว ง, งูก้าวไปนี่กําลังจะเหยียบนี่เข้าใจว่า ง, งูนี่จะโดดถึงทันทีเลยนี่ผูุช่วยกับพระทหารจะเหมือนกันแต่สิ่งที่ต่างกันก็นกนคือจิตุู้ชนมันจะร่อนวูบเลยมันตกอกตกใจ ภายในหัวใจนี่แต่พระรานท่านไม่แยกเดียวทั้งผู้มันยกมันคือความรับผิดชอบโดดเหมือนกันแต่จิตไม่ไหว น, น, นั่นต่างกันทรานั้นต่างอยู่ภายในจิตตรงนั้นแต่กิริยานี้เหมือนกันเ mm hmm. ร, รนนื่ื่นเนี่ยไม่ยอมร้องเหมือนไงเ mm hmm. วลาอยู่ด้วยกันนะคนก็คนหนึ่งทําหนึ่งคนหนึ่งทําหนึ่งใครท ำ, ทำก็ทาดูคนสี่มาศึกษาหูมีตามีมือมี ข้าวมีจัดทาช่วยกันา น, า น, นายช่วอนะคปันนายนคนห